โลกนี้จะเต็มไปด้วยขยะทั้งความอยากอันนี้ดีธรรมชาติมันไม่ได้ตอบสนองทุกอย่างแค่ไม่ได้สนองทุกอย่างอันนี้โลกก็จะอยู่ไม่ได้โลกเขาจะระเบิดระเบ้ออยู่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนี่ยว่ามันเป็นโลกนึ่มีขยะขนาดไหนมันทําให้โลกนี้โลกทั้งโลกทั้งจักรวาลมันป่วยไปด้วยมันได้แรงขนาดไหนโลหิตละแล้วก็ความโลก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 หลบภัยอันนี้ได้เพราะเราไม่สั่งสมเชื้อและภัยอนนั้นไว้เราก็ระวังด้านอาหารการกินด้านอยู่ด้านกินด้านไปการไปการมาอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เกิดความเครียดความลำบากต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงเสียแล้วก็มีการ อ, าอยู่ที่ที่มันไม่มีความเสี่ยงต่างๆซึ่งพอหาได้นะ อย่างเช่ยเรามาอยู่ในป่าในเขามาอยู่ในที่สงัดวิเวกซะไม่เป็นที่มาของข่าวสารใดๆอือันนี้ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งถ้าเราอยู่ในที่เจริญข่าวสารเข้าถึงไปไงเดี๋ยวโทรทัศน์เดี๋ยวอินเทอ ร, ร์เน็ตเดี๋ย ว, เ, เ, ยวเว็บไซต์เดี๋ยวหนังสือพิมพ์เดี๋ย ว, เ, ยวเสียงตามสาย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 นึกถึงบ้านหลังนี้แล้วก็มาอยู่แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันซ่อมแซมเราก็จะสุขสบายคูณใดว่าก็เกิดความประทับใจอยากมาอีกแต่มาแล้วเขาไม่เห็นความเกลกาลุกลุ่มังเขาก็ไม่อยากมาเพราะเทวดาไม่รักษาแล้ว น, นั้นก็ถึงขออนมุทนาสาธุผู้ที่ตั้งใจช่วยกันากาัดอไปก็ขอให้มีความสบายกายสบายใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน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 แต่เมื่อใดเรา <c oughs> ต้องเดินทางหรือทำงานก็ต้องใช้แบตเตอรี่ชาร์จใดสตาชาร์จนั่นหมายความว่าบางครั้งเราก็ใช้สมรถะบางครั้งก็ใช้วิปัสสนาแต่สมรถะในที่นี้เป็นสมรถะแบบพุทธไม่ใช่สมรถะแบบพรามสมรถะแบบพรามก็คือ <c oughs> เอาตัวความตั้งใจเนี่ย ไปใชนะ้ให้เกิดพลังทางที่ไม่เป็นปัญญาเช่นะไปเกิดพลังขังศักดิ์สิทธิ์มุนหรือเป็นอำนาจเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นการเสกอะไรต่งตางเสกวัตถุให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมานะนี่เขาเรียกว่าเป็นสมถะแบบพรามณ์ซึ่งมีโดยเป็นพื้นฐานของเมืองไทย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 เมื่อใดไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์อะไรมาลบกวนจิตเราก็ใช้สมถะก็คือมาดูกายพิจารณากายพิจารณาเวทนาตัว น, นี้ก็เรียกเป็นสมถะแต่เมื่อมีความคิดมีอารมณ์อะไรเข้ามาสู่กระทบจิตทำให้เรารู้สึกคิดรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ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 นะอัะ น, นั้นให้เข้าใจอันนี้แล้วเราก็จะเกิดความมุ่งมั่นศรัทธาเกิดความเพียรอย่างเข้าใจไม่ใช่เพียรไปร่มๆเล้งๆเพียรไปสงสัยไปไม่ใช่เพียรไปเขเข้าใจไปเพราะเห็นกฎเกณฑ์อันนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในการที่เรามาฝึกฝนมาปฏิบัติ